สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปียสู ต, ตอนที่สี่ร้อยยี่สิบห้าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่ห้าพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายแบ่งปันกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็คือในการทรงสร้างและการพรุงรักษานะครับแต่วันนี้จะไม่ยาวครับก็คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่เพียงแต่สร้างโลกผดุงโลกไว้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ยังควบคุมนะครับดูแลทํางานในชีวิตของมนุษย์สามด้านด้วยกันนะครับกล่าวคือพรงทรงทํา ง, งานผ่านชีวิตของบุคคลต่างๆเพื่อให้สําเร็จตามพระปะระสงค์ของพระเจ้านะฮะและพระองทรงทําให้มนุษย์สํานึกถึงความบาปและต้องการความรอด และอันที่สามครับพงทรงจํากัดและควบคุมอํานาจของความชั่วร้าย น, นี่คือสามด้านใหญ่ๆด้วยกันผมจะขอเนี่ยทบทวนนะครับประการแรกก็คือพงทรงทํางานผ่านชีวิตของบุคคลต่างๆรวมทั้งเราทั้งหลายด้วยเพื่อให้สําเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าประการที่สองก็คือพงทรงทําให้มนุษย์สํานึกถึงความบาปและต้องการความรอดอันนี้เกิดขึ้นกับเรานะครับก่อนที่เราจะรับเชื่อใช่ไหมครับ และอันที่สามก็คือพระองค์ทรงจำกัดและควบคุมอำนาจของความชั่วร้ายพี่น้องครับตัวอย่างตรงนี้นะครับผมอยากจะยกนะครับให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องจํากษัตริย์ไซรัสของเปอร์เซียได้ไหมครับกษัตริย์ไซรัสของเปอร์เซียนั้นพระพี่บอกว่าพระเจ้าทรงเจิมไซรัสกษัตริย์ของเปอร์เซียด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อให้เขารับใช้พระองค์ให้สําเร็จ ตามพระประสงค์ของพระองค์แม้ว่าเขาจะไม่รู้จักพระองค์เห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเจ้าเนี่ยส่งไว้ซึ่ง ส, สิทธิสิทธิอำนาจอันชอบธรรมอันาจอธิปไตยที่สมบูรณ์แบบพระองค์จะใช้ใครก็ได้ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์สูงขนาดไหนจนกระทั่งถึงคนที่ต่ำต้อยที่สุดพระองค์สามารถใช้ได้พระองค์เรียกใช้ได้หมดครับแม้ว่าเขาจะรู้จักพระองค์หรือไม่ก็ตามนะครับยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งครับ ก็คือกษัตริย์ซาอูลนะครับกษัตริย์ซาอูนนั้นแน่นอนครับพระเจ้าก็ตั้งเขาไว้เขาเป็นคนหนึ่งครับที่พระเจ้าเลือกสรรเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านพี่บอกว่าเจิมเขาอยู่ด้วยกับเขาทํางานในชีวิตของเขาตราบเท่าที่เขาเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าเลือกไว้เพื่อปกครองชนชาติของหลวงและตราบเท่าที่เขาเขามีจิตใจเชื่อฟังครับตราบเท่าที่มีจิตใจเชื่อฟังพระเจ้าก็ยังเลือกเขาไว้ เพื่อปกครองชนชาติของพระองค์แต่เมื่อไใดก็ตามที่เขาตั้งใจดื้อดึงต่อพระเจ้าเขาก็สูญเสียความโปรดปรานของพระเจ้านั่นคือเหตุการณ์ที่พระวิญ ญ, ญาณละเข้าไปครับและวิญญาณชั่วจากพระเจ้ามาทรมานเขาอย่างครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับด้วยความสับจริงครับว่าในพระองค์ีเดิมนั้นพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์นะครับ เข้าไปจะิดอยู่กับใครนะครับมนุษย์คนไหนชีวิตของเขาเนี่ยก็สัมเดงผลของพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์สําเดงของประธานเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนื่องจากว่าพระพระบุญญาบริสุทธิ์นั้นเป็นพระเจ้าครับในพระคัมภีร์เดิมนั้นเราไม่เห็นชื่อของพระเยซูแต่ว่าเราเห็นครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นลมปราณทรงเป็นลมหายใจนะครับเป็นรูอัก แต่ในขณเดียวกันครับพระองค์ก็มีบุคลิกภาพโปรงทรงความเป็นบุคคล น, นะครับที่น้องอย่าลืมเพราะฉะนั้นตราบใดที่พระเจ้าทรงเลือกบางคนไว้เพื่อทำงานบางอย่างเขาจะต้องตั้งใจเชื่อฟังครับแต่ถ้าเขาฮะดื้อดึงดื้อ ด, ด, ด, ด้านนะครับต่อพระเจ้าเขาก็จะสูญเสียความโปรดปรานของพระเจ้าอีกคนหนึ่งครับดาวิด ดาวิดนั้นเมื่อเขาทํำบาปสิ่งที่เขาทูลก็คืออะไรครับเขาทูลวิงวอนขอไม่ให้พระเจ้านําพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปจากเขาเห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์เดิมนะครับก็เข้าเข้าสถิตอยู่แล้วก็สามารถที่จะออกไปได้หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ละนะครับละจากคนคนนั้นไปได้แต่ในพระคัมภีร์ใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับในพี่ใหม่ พระเยซูได้ประทานพระญามาสุดให้กับเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อครับเมื่อทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชือ่อนั้นเราไว้วางใจในพระวินพระเยซูพระญาณมาสุดก็จะเข้ามาสถิตอยู่ในเรานะครับเมื่อพระญามาสุดเข้ามาสถิตอยู่ในเราแล้วพระองค์จะไม่ละไปเลยนี่ความแตกต่างระหว่างพระกัมภีร์เดิมกับพระกัมภี์ใหม่ครับพระกัมภีร์เดิมนั้นพระญาณบริสุดนั้นเข้า นะครับและเขาไม่เชื่อฟังพุ่งยานสุดก็ละละเขาก็คือออกจากเขาแต่พระุ่งยานมริสุดในเพิ่มพีใหม่มาถึงขึ้นจากเราทุกวันนี้อยู่ในตัวของเราพรง ไ, นะไม่ละจากเราไปเลยนะครับพรงคไม่ละจากเราไปเลยนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากครับเพราะเหตุที่ว่าหากว่าพุ่ญญานมือสุดละจากเราไปแล้วนั่นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจเพราะอะไรครับเพราะว่า เราก็จะเหมือนกับซาอูนคือวิญญาณชั่วจากนะครับวิญญาณชั่วเนี่ยจะมาทรมานนะฮะเพราะฉะนั้นท่าชิดของพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับในชีวิตของเรานั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งทรงทรงควบคุมเหนือชีวิตของผู้ที่เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อพระกัมปีได้กล่าวถึงพระราศีของพระวิญญาณบริสุทธ์ที่กระทําอยู่ในจิตใจ ของผู้ไม่เชื่อให้หันกลับมาหาพระเจ้าเห็นไหมครับพระวิญ ญ, ญาณทําให้เรากลับใจใหม่ครับเพื่อนผีได้ให้สับหลายคำที่จํำแดงถึงพระราชกิจนี้เช่นพระงทรงเป็นพยานเห็นไหมครับคากล่าวของเฟโต้และอัครส า, าวกบอกว่าเราต้องหลายเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ก็เป็นพยานด้วยเห็นไหมครับพี่น้องพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นก็ร่วมกับเราในการทํา งานของพระเจ้าโดยถือว่าเป็นงานของพระองค์เช่นเดียวกันพระญญาณบิสุทธิ์ได้กระทําการของพระองค์ครับพระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้าเขายิบโผว่าพระวิญญาณแห่งความจริงจะทรงเป็นพยานให้แก่เราเห็นไหมครับความสว่างในยอห์นบทที่หนึ่งข้อเก้านะครับก็เป็นพระคิีที่พระบิดาลพระบุตรได้กระทําผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรารู้แจ้งให้เราพบกับความสว่าง พ ย, ยัญชนสุดกระทำให้โลกรู้แจ้งเรื่องความผิดความชอบธรรมการพิพากษาชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นหากเราต่อต้านนะอย่างตั้งใจเลยพูดง่ายก็คือว่าตั้งใจต่อต้านพ ย, ยัญบริสุดนะครับก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทพ ย, ยัญบริสุดที่ไม่สามารถให้อภัยได้ เรื่องนี้ปรากฏอยู่ในธรรมราลโกบทที่สามข้อยีสิบเก้าครับหลายคนถามครับมินประมารพระวิญญาณบริสุทดไม่อ่านให้ภัยได้คืออะไรครับก็คือการตั้งใจต่อต้านนะครับพระจิตของพระวิญญาณเบริสุทิ์เราจะเห็นนะครับพระจิตของพระวิญญาณบริสุดที่กระทําในชีวิตของเราครั้งแรกและเป็นครั้งที่มากที่สุดนะครับก็คือแย่งชิงวิญญาณจิตของเราออกจาก มือของมารซาตานออกจากโลกแห่งความมืดเข้ามาสู่ความสว่างแต่โดยการตัดสินใจของเราตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าครับตอบสนองต่อการหยิบยืน่นความรอดให้กับเราแล้วเพียงแต่ยกมือของเราขึ้นชูมือออกไปยื่นมือออกไปได้รับไว้นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำที่น้องครับและด้วยเหตุนี้ทาให้เราต้องกลับมาดูชีวิตของเราและขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเหตุที่ว่า พระวิญญาณบริสุทธินั้นในที่สุดพระองค์ก็ทําพระจิตของพระองค์สาเร็จนะครับโดยการที่ทําให้เราตัดสินใจต้อนรับพระเยซูหรือรับเชื่อในพระองค์เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับหากใครก็ตามที่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเขาตั้งใจจงใจนะครับที่จะต่อต้านความรู้จริงที่มาจากพระเจ้าก็เท่ากับ การเหยียดหยามพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเหี่ยหกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความอดทนต่อความบาปของมนุษย์ในระดับหนึ่งนะครับในพระธรรมการบทที่หกข้อที่สามได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าพระวิญญาณหรือวิญญาณของเรานั้นจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาลเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้ได้พูดถึงในพระกัมภี์เดิมพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาลแต่ในพระกัมภี์ใหม่พี่น้องครับเรารู้ครับพระวิญญาณ บริสุทธิ์นั้นจะสถิตอยู่กับเราตลอดไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงควบคุมนะครับความชั่วร้ายเรารู้นครับว่ามโนธรรมและความสว่างนะครับของเวลากลางวันเนี่ยนะก็ทำให้เราต้องรีบทํางานในการเดียวกันครับเราต้องอยู่อย่างระมัดระวังเราต้องเป็นลูกของความสว่างนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นควบคุมอํานาจความชั่วนะครับ ทำให้กะโชกหรือขึ้นเสตียณที่อยู่ด้วยกันนะครับก็ช่วยกําจัดและลดทอนความชั่วร้ายเหมือนกันนะครับหลายคนถามว่าในพระธรรมสองเทศสาบทที่สองข้อที่หกข้อที่แปพูดถึงคนคนหนึง่งหรือผู้หน่วงเหนี่ยวครับผู้หน่วงเหนี่ยวนี้ก็น่าจะเล็งถึงผู้ ญ, ญืนบริสุทธิ์นั่นเองถึงครับนี่คือสามประการหลักๆนะครับเผู้ ญ, ญืนบริสุทธิ์นั้นทํางานผ่านชีวิตของคน เพื่อให้สําเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่สองทรงทําให้มนุษย์สํานึกถึงความผิดความบาปและต้องการความรอดประการสุดท้ายครับทรงกําจัดและ ค, บควบคุมอํานาจของความชั่วร้ายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเข้าใจงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อเมน